นันปัญญาในการวิจัยนะวิจัยเนะี่ยปัญญาบารมีทั้งหลายหายรือปัญญานี่ยเขาไปวิจัยโอ้นี่คือมิจฉาทิฏฐินี่คือสัมมาทิฏฐิความเพียรก็จะไปประคับประคองเพียรพยายามเพื่อจะละมิจฉาทิฐิเพื่อจะบรรลุสัมมาทิฏฐินั้นความเพียรอันนี้เรียกว่าสัมมาวายมะเห็นไหมความเพียรพยายามในการที่จะละมิจฉาสังคปะเพื่อบรรลุสัมมาสังกปะไอ้อยังเงี้ยความเพียรอย่างเงี้ยเรียกว่าสัมมาสังคปะความเพียรในการที่จะพยายามที่จะละ มิจฉาวาจาเพื่อจะเข้าถึง ja สัมมาวาจาความเพียรอย่างนี้จึงเป็นสัมมาวายมะหรือเป็นสัมปทานอย่างนี้เป็นต้นเข้าใจใไหมมันก็ไล่ไปที่เราจะเห็นเราได้เพียรไหมเช่นยกตัวอย่างเช่นเราชอบกล่าวมิจฉาวาจาอยู่เรื่อยเลยเราเคยเพียรไหมที่ว่าจะเข้าถึงบอกไม่เอาเราจะเราจะเราจ ะ, เราจะกล่าวสัมมาวาจาเราจะกล่าวสัมมาวาจาได้เพียรไหมถ้าไม่เพียรก็ไม่ใช่ความเพียรในการขัดเกลากันไหมในส่วนจริงๆเราก็มีมิจฉาวาจาอยู่เนื้อ เมื่อไรเมื vale wow. ่อไรก็เป็นมิจฉาวาจาเมื่อไหรเมื่อไรก็เป็นมิจฉาวาจาเพราะอย่าลืมนะมิจฉาวาจาเป็นอกุศลและเป็นธรรมะที่ควรละถ้าไม่เพียรในการที่จะละไม่เพียรพยายมที่จะเข้าถึงต้องเพียรละมิจฉาวาจาแล้วก็เพื่อจะเข้าถึงสัมมาวาจาถ้าได้สัมมาวาจาที่เป็นโลกิยะแล้วมันพอไหมล่ะไม่พอต้องเพียรพยายามเพื่อจะเข้าถึงสัมมาวาจาที่เป็นโลกุตละนั่นแหละที่เป็นองค์มรรคนั่นแหละเข้าใจอย่างมันต้องเพียรขัดเกลาตัวเองไปเรื่อยๆ อธยาสายในการที่จะขัดเกลาไปเรื่อยๆแล้วก็มิจฉากรรมมตาสัมมากรมรนตาต้องเพียนไหมต้องเพียนร้ามิจฉากรรมตาำไหมต้องเพียนเข้าถึงสมาวจามเออสมากมันตาำไหมก็ต้องเพียนเข้าถึงสมากรมรนตาพูดไปพูดมาก็จะงงงเนี่ยนะงงไหมไวไปไหมหลายๆคนก็ว่าเรามาพูดไวเรามาก็เลยหย่อนหย่อนจริงๆเรามาเวลาพูดพูๆกันมาเรามาไปเพศที่อยากจะเร่งปุ๊บปุ๊บปุ๊ไปเลยเนี่ย แต่ก็เลยอันนี้ก็เลยดีเหมือนกันลแล้วก็ได้เบรกเบรกไปเลย <S <S <ๆ>เนี่งั้นเวริยานี่นะเวริยานี่เป็นตัวที่เห็นโทษของวัตถะเห็นโทษของวัตถะได้ง่ายเพราะว่าเขาจะมีมีวัตถุอย่งเช่นชาติทุทกชราทุกมรณะทุกในเป็นอารมณ์จะมีชาติชราพยาธิมรณะเป็นอารมณ์แล้วก็มีภัยในสังสารวัฏเป็นอารามณปัจจัยแก่เขา แล้วก็ภัยที่จะเป็นไปในวัฏฏะข้างหน้าเป็นอารมณ์ข้างหน้าประใจภัยในการทํามาให้กินทั้งหลายโอ้โหลองคิดดูที่เราเพียนมาเนี่ยเราเพียนผิดมาเยอะในสังสารวัฏเนี่ยนั่นแหละโทษทั้งนั้นเลยอเพียนประคับประคองบาปก็ดีเพียนทําให้บาปที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเยอะใช่ไหมในสังสารวัฏที่ผ่านมาเพียนจังเลยทําบาปเนี่ยเพียนมากเขาเคยเข้าใจว่าเพียนแม้บางทีเนี่ยนะบางทีมามา มาศึกษาระมาทำยังเพี้ยนผิดเลยเคยเป็นไหมล่ะอนาตมาเนี่ยเพี้ยนผิดเกือบสิบปีโอ้ยอยากรู้หมดแล้วอันนั้นก็อยากรู้นี่ก็อยากรู้กับโลภาหมันก็มันก็คลองโลภาหใหญ่ใช่ไหมวิทยังอนาตมาประคองใหญ่โอ้ยเรียนเรียนเรียนเรียนไปพอเรียนมาเรียนมาใครพูดผิดหูไม่ได้แล้วไปเตียงเขาางทีเขาไม่เตียงด้วยไปเคาะประตูไปขอคุยกับเขา บางทีพอรู้เพออ่านหนังสือนี่นะพ อ, อ่านพระธรรมอ่านอ่านอันอ่นเบสิพอรู้ป๊อบนึกถึงสงสัยข้างห้องเขาไม่รู้อย่างเราเลยนี่ไปแล้วแต่ก่อนก็นึกว่ากรุณนะที่ไหนตนะ้อย่ายกตนยังไม่รู้ตนวนึง ย, ยกตนไปอธิบายเยอะเลยที่เพี้ยนผิดไม่ไม่เป็นไปเพื่อการขัดเกลาเลยได้มาได้ได้ทิฏฐิเพิ่มได้ความมิจนผิดเพิ่มก็เย่ งัตรงนี้วิริยานเนี่ยต้องต้องเป็นไปเพื่อการเห็นโทษของสังสารวัฏและเป็นไปเพื่อการที่จะเกื้อหนุนอะไรเกื้อหนุนสัมมาสติเกื้อหนุนสม า, สสมาทิฏิจริงๆให้เห็นแก้ว่าสัมมาวยามะนี่จะเพียนไปในลักษณะอย่างเงี้ยจะเพียนไปลักษณ ะ, ะคือว่าจะเข้าถึงสัมมาวิจาเข้าถึงสัมมากรรมตาเข้าถึงสัมมาชีวะเข้าถึงสัมมาวยามะเข้าถึงสัมมาสติเข้าถึงสมา ส, สมาธิแต่เพื่อจะละตรงข้ามนั่นแหละ ตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะสัมมาวาจามามิทิฏฐิมิชามิทิฏฐิมิชาสังามิชามิชาวาจามิชามิชามิชามิชาวิชามิชามิชามิมิชามิชามิชามิามิชามิชามิชามิชามิชามลชามิชามิชามิชามักามิชามอชามิชามิามิชามามิชามิชามิชามิชามิชามิ่ามิชาไิชายิชาอย่างิงามิชามิชามิชามิชามิชามิหามิชามามิชามิชามิามิชามิชามิชามิชามิชามิชานีชามามิชามามิชิชม แล้วต้องใช้ความเพียรในการประคับประคองไหมต้องใช้สติในการระ ล, ลึกไปตามเนื้อหาของพระธรรมใช่ไหมนั่นแหละตอนนี้เขาเรียกว่าเดินนี่เขาเรียกว่าเดินเดินมาร์กที่เป็นโลกยียเดินมาร์กที่เป็นโลกยียทีนี้ถามว่าใครสามารถเดินได้อย่างเป็นติดป็นต่อได้อย่างต่อเนื่องมันก็เป็นไปเพื่อการขัดเกลาริางๆในขณะที่ฟังนี่แหละการปฏิบัติมันเดินฉนั้นคนบางคนวเวลาฟังเนี่ยเขาได้ทั้งความสุขได้ทั้งความสงบได้ทั้งปัญญาใช่ไหม ปัญญามันเกิดขึ้นขัดเกลาวขึ้นพิจารณาเกิดความเข้าใจได้ปราโมดปีติประสิทธิและความสุขเกิดขึ้นจริงๆอย่างเงี้ยอันนี้แปลว่าเป็นไปเพื่อการขัดเกลาก็ตั้งอัธยาศัยบางท่านถึงก็บอกว่าเข้าไปเจ้าจะบรรลุเพราะธรรมาจักรกับวัฒนสูตรบางท่านก็ตั้งอัธยาศัยว่าจะบรรลุเพราะอนัตตลกนสูตรอาทิตตปริยสูตรเห็นไหมหรือว่าสติปัฏฐานสูตรเนี้ย เหตุที่เขาตั้งอัจฉริยะใสไว้ก็เพราะว่าเขาเรียนเขาศึกษามาในสังสารวัตรแล้วก็ปรารถนาจะบรรลุสูตรนี้สูตรนี้เป็นต้นเหล่าเนี้ยแปลว่าที่เขาจํากัดสูตรได้นี่แปลว่าอะไรรู้ไหมแปลว่าโอ้โหเขาช่ำชองแล้วอัตฉิยะใสเขามุ่งมั่นแล้วเนี่ยเขามุ่งมั่นแล้วก็แปลว่าเขาเขาเกี่ยวเขาได้เนี่ยเหมือนคนบางคนบอกว่านี่เขสอบได้เนี่ยเขาจบเนี่ยเขสอบได้เนี่ยเหมือนเหมือนกันฉะนั้นอัจฉริยะใสในการที่ว่าเรียว่บารมีเขาขัดอะไรนิสระนัตเฉยาศัยก็หมายว่าอัจฉริยะใสในการ ออกจากภพออกจากกางสัจจะบา ร, รมีแล้วก็อธิฏฐานบา ร, รมีต้องมีจริงๆเพราะอันนี้เป็นปัจจัยในการที่จะขัดเกาวิสรณะนอัอเสริมสร้างอัธยาศัยในการสลัดออกนั่นเองเสริมสร้างในการนิสรณาสานัตอัธยาศัยเลยชอนอุเบกขาบา ร, รมีก็สร้างปริเวกัตชาสยะคืออัธยาศัยในการจะสงบสงบระ ง, งับจากบาปธรรมทั้งหลายเป็นต้นเหล่านี้นั่นแหละคืออัธยาศัยในบา ร, รมีทั้ง10 บ, บอกว่าพระผู้มีพระเจ้านี พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยถามว่าในสังสารวัตหรือเส้นทางการเดินทางเนี่ยของพระบรมศาสดาที่เดินทางมาเนี่ยท่านเดินทางมาในลักษณะอย่างนี้เดินทางในกรณีที่ว่าในการเส้นทางแห่งการสร้างบารมีของท่านเนี่ยนะฉะนั้นในบทคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นจึงมีมากมายที่ท่านสรรเสริญอย่างที่บอกมาสักครู่ที่บอกอิติปิโสพระควาอารางังสัมมาสัมพุโทโธวิชาเจรณาสัมปโนนั้นนะท่านนั่งสาธยายกันเชื่อไหมวันนี้ก็ไม่จบ สองวันก็ไม่จบหรือทั้งชาติก็ไม่จบนั่นคือคุณของพระพุทธเจ้านี่เป็นอย่างนั้นทีนี้ถามราพิจารณาอย่างนี้ก็จะเห็นนะว่าพระบรมศา ส, สดาในคุณของพระพุทธเจ้าอย่างมึกทบทที่สามครว่าปีบทที่สี่โสเนี่ยนี่เขาใช้คำว่าโสกาวิราจิติตโยโสมนโานโสพันมาโนสเทวเก โสกปเตปโมทันโตโสภวันนังนามิหังบอกว่าพระบรมศาสดาพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเนี่ยผู้มีจิตปราศจากความเศร้าโศกผู้งามแล้วในโลกทั้งเทวโลกยังสัตว์ทั้งหลายผู้ถึงแล้วซึ่งความโศกให้บังเทิงอยู่ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้มีวันนะงามเป็นต้นตรงนี้เป็นบทสรรเสริญคุณของพระผู้มีพระภาคเจา้าของพิจารณานะว่า ในบรรดาบทที่สรรเสริญคุณของพระบรมศาสดาทั้งหลายเนี่ยถ้ามาพิจารณาตามพระธรรมคําำคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเราจะเห็นอะไรเราจะเห็นว่าการสรรเสริญคุณของพระบรมศาสดานั้นน่ยถามว่าจิตที่นอบน้อมดนกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนั้นน่ยจิตในการนอบน้อมคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเพราะอะไรเพราะเรามีความเข้าใจยังไหมเข้าใจเส้นทางการดําเนินหรือการบรรลุ ข, ของพระผู้มีพระภาคเจ้า ในเส้นทางการดําเนินหรือการบรรลุของพระบรมศาสดาที่นับเป็น20อสงค์ขายยิ่งด้วยแสนกับถ้าเราศึกษาทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นในด้านของนิทานต่างๆที่เราศึกษาในเรื่องของภายิรานิทานเป็นต้นเราเนี่ยนะมหานิทานเป็นต้นเราเนี่ยหรืออัจฉริการนิทานนิทานภายนอกภายในทั้งหลายที่เราศึกษาเส้นทางการสร้างบารมีของพระบรมศาสดาเนี่ยนะที่สร้างมาอย่างยาวนานนั้นไปพิจารณาอย่างไรเราจะเห็นคุณของท่านได้ ก็ต้องพิจารณาถึงสังสารวัตรทีนี้การเห็นสังสารวัตรนั้นก็เพราะอะไรก็เพราะเราเห็นว่าเห็นคุณของพระเจ้าดังที่ได้กล่าวเช่นในภัยละที่บอกว่ามานพเนี่ยนะเริ่มเรื่องในเด็กเกี่ยวกับเรื่องของมานพเนี่ยที่แบกมารดาข้าหมาสมุทรถสรุปสรุปตรงเนี้ยเนี่ยนะแล้วก็ต่อมาก็คือเป็นดาบทในการสละชีวิตเนะี่ยให้กับแม่ลูกแม่เสือลูกอ่อนแล้วต่อมาก็คือเป็นพระราชา ที่เห็นราคะดำกิสนาเกิดขึ้นในกระแสจิตของช้างแล้วตนเองก็สะเทือนใจแล้วก็ออกบวชก็เป็นต้นมาตามลําดับแล้วต่อมาก็มาตั้งมู ล, ลรับบมปณิธานก็คือเกี่ยวในเรื่องของปณิธานในการที่จะปรารถนาดังที่ได้กล่าวนั่นถ้าเราเรามาพิจารณาตรงนี้เราก็จะเห็ น, นว่าตอนที่ต่อมาก็คือเกี่ยวในเรื่องของที่ว่าปุราณาทีปังกรไล่มาตามลําดับนั่นแหละ ตอนที่ว่าเป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นผู้ถวายน้ํามันประ ก, กาศเป็นต้นเราเนี่ยนะแล้วต่อมามาพิจารณาถึงบอกว่าภิกษุที่เที่ยวบินธบานน้ํามันเมร็ดพันประกาศมามาจุดประทีเพื่อจะบูชาพระปุรนาทีปังกรสำมาเสริมพุทธเจ้านั้นน่ยแล้วก็ต่อมาก็มาตัดสรู้เป็นพระทีปังกรเป็นพุทธเจ้าแล้วต่อมาก็มาพยากรพระโพธิสัตว์เป็นต้นเหล่านั้นน่ย เราดูระยะการสร้างบา ร, รมีของท่านเนี่ยนะถ้าถามบอกว่าการสร้างบา ร, รมีของพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านสร้างอย่างโดดเดียวไหมสิบหกอสงไขยสิบหกอสงไขยต้องยอมรับว่าโดดเดียวโดดเดียวยังไงก็เพราะว่าสร้างแบบคิดในใจเจ็ดแล้วก็เปล่งวาจาเกล้าเนี่ยโดดเดียวมากต้องใช้คําว่าโดดเดียวใช้คําว่าโดดเดียวคือบอกว่าคิดในใจต่อหน้าพระพักไม่รู้เท่าไหร่ แต่พระองค์พระพุทธเจ้าแต่ละองค์แต่ละองค์ก็ไม่พยากรในี่ท่านเปล่งวาจาไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แต่ท่านก็ไม่ไม่ไม่พยากรนะมันเหมือนไปประกาศบอกว่าคือปกติพุทธเจ้าเนะี่ยคิดในใจท่านก็รู้ไม่ใช่ท่านไม่รู้ว่าข้าพเจ้าปรารถนาสาัมมาสัมพธิยานเนะแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่พยากรเพราะเห็นความเป็นอเนจตาโพธิสัตว์อยู่อย่างเงี้ย เปล่งวาจาไม่รู้กี่ครั้งตัวกี่ครั้งถ้าถามไปอย่านับเป็นล้านเลยต้องนอนนับจำนวนพระพุทธเจ้าใช่ไ้ยจำนวนพระพุทธเจ้าเนี่ยกี่ครั้งแล้วท่านก็นึกในใจกี่ครั้งท่านเปล่งกี่ครั้งต้องมากกว่าพระพุทธเจ้าจำนวนของพระเจ้าที่อุบัติก็ต้องมาคิดดูว่าท่านต้องใช้ทั้งมโนกรรมมโนกรรมที่ท่านน้อมนึกน่วงเอาสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ย นับเป็นครั้งจะนับไม่ได้เลยใจที่ผกพันอยู่กับคําว่าสัมมาสัมโปวิญานเนี่ยจะนับประมาณยังไงชีวิตของแต่ละชีวิตกว่าจะขาดไปแต่ละพบแต่ละพบเนี่ยมันเท่าไหร่กระแสจิตที่นาเนินไปเนี่ยจำนวนเท่าไหร่ใช่ไหมที่ท่านคิดถึงสัมมาสัมโปวิยาณเรามันนึกดูทีวันวันหนึ่งเราคิดถึงลูกเรากี่ครั้งสิ่งที่เรารักที่สุดเนี่ยเราคิดกี่ครั้ง อันนี้ท่านยิ่งกว่านั้นน่ยท่านคิดถึงสัมมาสัมโพธิญาณยิ่งกว่านั้นปรารถนาสัมมาสัมโพธิญาณยิ่งกว่านั้นแล้วก็มาเทียบดูเถอะสาหรับผู้ที่ชํานาญในวัตถุกรรมทั้งหลายเนี่ยว่าวัตถุกรรมชิ้นไหนที่เราคิดถึงมากวันวันหนึ่งเราคิดถึงวัตถุกรรมชิ้นนั้นมากไหมนี่ท่านคิดถึงสัมมาสัมโพธิญาณท่านคิดถึงการเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนเป็นมโนบณิฐานท่านคิดแค่ไหน กว่าความคิดของท่านนั้นจะจะจะหลุดออกมาจากการมาเปล่งและท่านเปล่งตอแลวก็ห้าพูดเนี่ยใครเลยบังอาจกล้าคิดว่าจะปราถนาเป็นผู้เจ้าตัวหน้าพระพักถ้าเรารู้ว่าท่านผูน้นี้รู้จักเราทุกอนู รู้แม้ในสังสารวัฏแม้ในอดีตแม้ในปัจจุบันแม้ในอนาคตทะลุทะลวงเบ็ดเสร็จเราเดินไปเราคิดว่าเราปรารถนาอย่างท่านมันต้องแค่สร้างความกล้าก็โอ้โหเต็มทนแล้วท่านทั้งหลายแค่จะสร้างความก ล, ากล้ากล้าไปคิดต่อผู้ยิ่งใหญ่ขนาดนะั้นที่จะไปคิดต่อบุรุษระดับเป็นผู้ยิ่งใหญ่โอดเทวดาและมนุษย์ เกิดมาเพื่อเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคนที่มีจิตใจบางอาจคิดเนี่ยแค่ปฐมมจิตของท่านเนี่ยมาก็บูชาแล้วบูชาแล้วขอบูชาปฐมมจิตของท่านปฐมมแทรตนิทานของท่านที่กล้าตั้งที่กล้าตั้งในการเยาขนสัตว์หรือสัตว์ออกจากสังสารวัฏไม่ใช่ตั้งแบบไม่รู้ข้อมูลเนี่ย ตั้งแบบรู้ข้อมูลตั้งแบบรู้เส้นทางของโพธิยานตั้งแบบรู้ว่ามันจะยาวไกลขนาดไหนตั้งว่าจะต้องแบกทุกขนาดไหนตั้งว่าจะต้องทรมานขนาดไหนอย่างที่บอกว่าถ้าสัมมาสัมโพธิยาณอยู่ในเวจีกล้าที่จะดำดำลงเอาจะใช้เวลากี่สังสารวัตรก็จะจะดำเบล อะไรล่ะเป็นปัจจัยในการทําให้ท่านผู้นั้นคิดใหามันตึงต้องบูชาใช่ไหมต้องบูชาปรมปณิธานของท่านจริงๆว่าอืมท่านคิดถ้ามีใครมาพูดเหมือนนารมาพลรนาคุณของมงวดย่าเลยแล้วเรารู้จนรายละเอียดเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยแล้วไปคิดซ้ายขวาหน้าหลังคิดทั้งอย่างละเอียดคิดเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีเบ็ดเสร็จแล้วบอกกล้าแล้ว โอ้โห oh. ไม่ธรรมดาหรอกเพราะศึกษาพระธรรมของพระพุทธเจ้าก็ดีรู้ข้อมูลก็ดีแล้วก็ตั้งจิตนี่ไงแล้วพอปรารถนาเบีเสร็จก็แบรงนั้นก็เริ่มแน่นขึ้ น, น้ยพลังที่เกิดขึ้นจากศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเนี่ยอย่าลืมนะว่าสัตทินรีเนี่ยเวลามีกำลังเนี่ยมันมากตัวศรัทธาเนี่ยนะ เพราะสภาวะของศรัทธาที่เกิดขึ้นจากการที่ปรารถนาสัมมาสัมปอริยาณเนี่ยเป็นศรัทธาที่มุ่งมั่นมากเราสังเกตได้อย่างไงสังเกตได้จากลักษณะรักษาะพยุปรฐานประทฐานของศรัทธาถ้ามาพิจารณาดูลักษณะของศรัทธานี่นะต้องดูตัวอย่างอย่างภาษาโวกก็ต้องดูพระรัตปาราถิระใช่ไหมเพราะลักษณะของศรัทธาเนี่ยถ้าตามคำศรัทธามีความเชื่อในลักษณะศรัทธามีความเชื่อในพุทธคุณ หรือมีความปักใจเชื่อเป็นลักษณะไหมมีความปักใจเชื่อเป็นลักษณะเชื่อในไหนที่ถูกต้องเพราะเชื่อในพุทธคุณธรรมคุณแล้วสังฆคุณเป็นต้นเชื่อในคุณของพระรัตนตรยัยลักษณะอย่างนั้นเขาเรียกว่าศรัทธาเช่นเราเชื่อ ว, ว่าการสร้างบารมีของพระบรมศ า, ศาสดานะั้นสร้างมาจริงคนที่จะ บ, บริสุทธิ์ผุดพองหรือบริสุทธิ์วิเศษอย่างพระพุทธเจ้านั้นต้องสร้างบารมีมาระดับนี้จริงๆนั่นคือลักษณะของศรัทธาแท้ กิจของศรัทธาก็คือว่ายังนามธรรมที่เกิดร่วมให้ผ่องใสเขาอุปมาเหมือนกับแก้วมณีแก้วมณีเนี่ยพระเจ้าจาักรพรรดิเนี่ยเขาจะมีแก้วมณีอันหนึ่งท่านจะมีมณีแก้วมณีแก้วของท่านเนี่ยสามารถที่จะยังน้ําให้ขุนยังน้ําที่ขุนให้ใสได้คือครองทั้งครองนี่ยนะถ้าจุม่มมณีรัตนะของพระราชาที่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิลงไปแล้วเนี่ยน้ำในแม่นะ้ำทั้งหมดจะเกิดเป็นสภาพของความใสแจ๋วขึ้นมาได้เลย นั่นคือสภาพของมณีรัตนะเหมือนกับบ้านเราทั้งหลายก็คือสมัยโบราณก็คือเขาใช้สารสม้มเวลาน้ำมันขุ่นเคอะเนี่ยก็ใช้สารส่วนเขาไปแก่งกวงกวางกว ง, ก ง, ก ง, ก ง, กงในส่วนจริงๆรตะกรันก็ลงไปนอนลักษณะลักษะก็หมายของกิจเนี่ยนะการงานของการงานของสัตทินศีเขาจะทำให้จิตที่เกิดขึ้นนะั้นมีความผ่องใส ก็แปลว่าเมื่อสัตทินรียเกิดศรัทธาเกิดแล้วเนี่ยเขามีความปักใจเชื่อเป็นลักษณะมีความปักใจเชื่อในคุณของพระรัตนตรัยเป็นลักษณะแล้วไม่พอเขาทําจิตของเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาไปทําจิตนั้นให้เกิดความสงบทีนี้จิตที่เกิดความสงบนั้นน่ะก็จะสามารถทําให้อะไรสงบระงับลงได้ทําให้สภาวะของจิตใจที่ขุ่นมัวทําให้สงบสงบลง พอสงบสงบลงเบ็ดเสร็จแล้วก็ใสแปลว่าอะไรราคาทรสะโมหะนิวรธาธรรมทั้งหลายนั้นก็ถูกข่มลงได้ด้วยสัตตินรียนั้นฉะนั้นเราท่านทั้งหลายถ้าตั้งศรัทธาเกิดขึ้นในการฟังพระธรรมของพระบรมศาสดานะถ้าหามาฟังปุ๊บเนี่ยนะในขณะที่เกิดความเชื่อความเชื่อนั้นยิ่งตั้งมั่นขึ้นไหมเกิดความเพียรเกิดวิริยะสติสมาธิเป็นตัวเหล่านี้ปัญญาเนี่ยนะในสุดเนี่ยสภาวะของศรัทธาเป็นตัวนําคุณธรรมเหล่านี้ ที่ศรัทธาเวลาเกิดขึ้นมาในสภาวะก็จะทำให้กลุ่มนิวรณรธาตุทั้งหลายเริ่มสงบลงจิตก็จะไม่ขุนมัวสภาพจิตก็จะเริ่มคล่องแคล่วหลายหลายท่านเวลาจิตมันขุนมัวจิตมันอ่ดอาด จ, จิตไม่ชํานาญเว้าทำคำสอนของพระพุทธเจ้ามันบ่งบอกอะไรบ่งบอกว่าสัตธินีไม่แข็งแรงทีนี้ถ้าหากว่าสัตตินีแข็งแรงก็แปลว่าสภาวะของ กุ่มนี้วอนคือกามฉันท่พยาบาทีนะมีท่าอุดะจัวอุจจารนั้นแหะมันเริ่มจะสงบลงมันสงบลงจากสภาวะของสัตว์ทินรีมาทํากิจเหมือนกับมามีน้ําที่มันขุนแล้วมีพวกแก้วมันนีหรือว่ามีพวกสารส้มต่างหลายมาแกว่กงทาให้น้ํามันเริ่มใสๆตะกอนมันก็ถูกจับแล้วก็ละอองทั้งหลายก็เริ่มสงบลงกับพื้นก็เหลือแต่ความใสของน้ำในฉันใด สภาพของจิตนั้นก็มีความใสเพราะลักษณะของสัตทินรียทํากิตอย่างนั้นเขาต้องบอกว่ากิตของกิตของศรัทธานั้นทําให้ใสนั้นอย่างหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งก็คือมีกิตในการแ ล, ล่นไปสู่คุณธรรมเบื้องหน้าการแล่นไปสู่คุณธรรมเบื้องหน้าเขาอุปมาเหมือนการข้ามข้ามจากกามโมคาผอโควาทิโโควิโชคะเห็นไหมบอกว่าสัตทินรีเนี่ยสามารถข้ามโควาเป็นต้นได้ นี่เราก็จะเห็นใช่ไหมว่าตัวศรัทธาเนี่ยเป็นปจัจจัยการที่จะข้ามจากกามโมคาโอคาคือกาวัดท่โคะโอคาคือทิฐิแล้วก็พระววคาโอคาคือพบอวิชวโชคาโอคคือความหลงทีนี้ประการต่อมาก็คือว่าผลปรากฏก็คือปรากฏในปัญญาของพระโยคาวจร์ก็คือนักปฏิบัติหรือผู้ที่ไข้ครวนทั้งหลายเนี่ยเป็นธรรมที่ไม่มีความขุ่นมัวก็ได้หรือมีความน้อมใจเชื่อ เราจะเห็นชัดก็คือว่าคนที่มาสังเกตลักษณะของศรัท ธ, ธาเป็นต้นเหล่านี้เราจะเห็นเวลาศรัท ธ, ธาเกิดขึ้นในกระแสจิตของท่านผู้ใดนะลักษณะของศรัท ธ, ธานั้นก็จะน้อมใจไปเพื่อจะเชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าความเป็นธรรมดีของพระธรรมการประพฤติปฏิบัติดีของปรรัจเจสง์ตอนนั้นคุณของพระรัตนตรัยก็จะเด่นชัดขึ้นเพราะเวลาเราศึกษาพระธรรมศึกษาคุณธรรมศึกษาคหมีสมามวิบากเป็นต้นเหล่านี้ยอ่านนะถ้าคนก็มีศรัท ธ, ธาเนี้ย อ่านการสร้างบา ร, รมีของพระเจ้าในพระไตรปิฎกอัจฉริาหรือชั้นกองดีกาทั้งหลายนี่นี่ิหชั้นของกัมพีทั้งหลายเนี่ยเวลาเห็นคุณของพระองค์สร้างบา ร, รมีมาเนี่ยสัตทินรียก็ไปตั้งมันเกิดความป่องไสเพราะสัตทินทรีผ่องไสเนี่ยก็เรียกคุณธรรมทั้งหลายใช่ไหมเรียกคุณธรรมทั้งหลายก็มีพวกวิริยะสติสมาธิปัญญาต่างๆก็ไหลตามมาวิริยะก็ประคองสติก็ตามมัลึกขึ้คุณของพระเจ้า สมาธิกับตั้งมั่นในคุณปัญญากับวิจัยไหมวิจัยเห็นเห็นอัฏฐะคือคุณของพระพุทธเจ้านะั้ปรากฏเด่นชัดในใอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ความรู้นี่นะความรู้บอกว่ามีวัตถุที่ควรเชื่อเป็นเหตุใกล้ก็หมายความว่ามีนั่นแหละพุทธคุณตามพุคุณเป็นต้นอะไรนี้ยเป็นเหตุใกล้เกิดประการหนึ่งเนะี่ยที่บอกว่าไอ้แ่นการแล่นไปสู่คุณนะั้นคุณเบื้องหน้า เขาอีกอย่างนึงนะเ ด, เดี๋ยวก่อนจะขยายตรงนั้นก็ว่าในคมภีมหาอตุลอดีกาท่านขยายก็ไว้บอกว่าศรัทธาเนี่ยมีความเชื่ออยู่สองอย่างคือเอกันตาศรัทธาก็คือศรัทธาแท้กับปฏิรู ป, ประกะาศรัทธาไอ้ปฏิรู ป, ประกาศรัทธาคือศรัทธาเทียมนีแยกออกเดี๋ยวบางคนไปกลัวศรัทธาศรัทธาที่ควรกลัวคือป ร, รุ ปฏิรูปประกะาศศัทธาคือศรัทธาเทียมเนี่ยคนไม่มีปัญญาไม่รู้ศรัทธาแท้ศรัทธาเทียมทีนี้ในศรัทธาสองอย่างนั้นนี่ยนะความเชื่อที่เป็นไปในความเลื่อมใสในคุณของพระเจ้าในพระธรรมประสงค์เป็นตนน้นเนี่ยนะหรือว่าเป็นเชื่อในกรรมและผลของกรรมนี่เขาชัดเจนนี่เรื่องตรงนเนี้ยนะที่เขาเห็นในลักษณะนี้แปลว่าอะไร ก็แปลว่านี้เป็นศรัทธาแท้ส่วนความเชื่อที่เป็นไปในความเชื่อวัตถุที่ไม่สมควรเชื่อเช่นไปเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของคําสอนที่ผิดจากคําสอนของพระบรมศาสดาความเชื่อความเห็นหรือความเข้าใจในลักษณะนี้นั้นอันนั้นเขาเรียกว่าศรัทธาเทียมฉะนั้นโดยองค์ทมแล้วเนะีศรัทธาแท้คือศรัทธาเจตสิกถ้าศรัทธาเทียมได้แก่อธิโมกเจตสิกหรืออธิโมกในที่นั้นเป็นมิจฉาอธิโมก อธิโมกที่ประกอบในอกุศลฉะนั้นเป็นลักหนังการตัดสินใจแล้วก็เป็นความเชื่อมันเงินแต่อันั้นเป็นการตัดสินใจเป็นความเชื่อที่ผิดพลาดเพราะเป็นความเชื่อที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาเป็นความเชื่อที่ไม่ประกอบด้วยสัมมาสติเป็นความเชื่อที่ไม่มีสัมมาวยมายามะเป็นตัวผักดันขับเคลื่อนเห็นไหมว่ามิจฉาที่โมกเนี่ยตัวอธิโมกข์ในเวลามันเกิดความเชื่อขึ้นมาเนี่ยในขณะนั้นมีตัณหาเข้าเกี่ยวข้อง พอมีตัณหาเข้าเกี่ยวข้องมันบวกกันกับอธิโมกมันเหมือนเหมือนตถาเลยแล้วมันก็มีเพี้ยนด้วยมีความเพี้ยนผิดเข้ามาเกี่ยวข้องมีมิจฉาสติเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมแล้วมีอริยสัธรรมมันลามมกทั้งหลายเข้ามาล้อมมาเป็นบริขารมาเป็นเหตุมาเป็นปัจจัยในที่สุดจริงๆหลายๆคนก็ไปเข้าใจว่ามิจฉาอธิโมกขนี่เป็นสัทธาแท้แท้จริงก็คือสัทธาแท้ก็ยังยังนี่ก็ ก็ยังสัมยุดธรรมต่างๆเหล่านั้นให้เกิดขึ้นทีนี้ถ้าหากว่าตัวศรัทธาแท้เนี่ยตัวศรัทธาแท้หรือความเชื่อที่แท้จริงมีการยังสัมยุดธรรมที่เกิดร่วมกันกันตนให้มีความเลื่อมใสเป็นลักษณะท่านก็อุปมาเหมือนกับแก้วมณีที่ทําน้ําที่คุณในสายสะอาดเนี่ยนะอีกอย่างหนึ่งก็เหมือนกับพวกมนุษย์เนี่ยเมื่อไม่มีแม้จะเห็นแก้วมณีทั้งหลายแล้วก็ไม่อาจจะจับได้เมื่อทราบเป็นเครื่องปลื้มใจไม่มีมนุษย์เหล่านั้น จะชื่อว่าสมบูรณ์ด้วยพวกราซาเป็นต้นก็ไม่ได้หรือเมื่อไม่มีพืชคือมีข้าวมีกล้ามีพวกพืชพันธัญญาหารทั้งหลายไม่มีนะจะชื่อว่าสมบูรณ์ก็ไม่ได้ข้ออุปมาต่างๆที่ยกมาเปรียบเทียบนี้ชันใดเมสทธานะคือความเชื่อที่แท้จริงอะ่ะถ้าไม่มีแล้วเนี่ยบุญกิริยาวัตถุคือทานนะถามว่าคือวัตถุเป็นที่ตั้งการเจริญกุศลเป็นต้นเน่ยจะเชื่อบริบูรณ์นั้นยังยังไม่ได้ฉันนะก็หมายความบอกว่า ถามบอกว่าเออถ้าไม่ถ้าไม่ได้ศรัทธาแท้นะทานศีลภาวนาอัจญญาณวิ ย, ยาวจาปฏิทานนะปัตตานุโมทนาธรรมสวนาธรรมเทศนาทิฏฐุชุ ก, กรรมจะไปเรียกว่าเกิดมีก็ไม่ได้เช่นไปให้ทานเนี่ยแต่ให้ด้วยมิจฉาวิโมกให้ด้วยศรัทธาเทียมให้ได้ไหม ให้ทานด้วิชาเทียมก็ได้ได้ในศัทธาให้ได้ปฏิรูปประกาศศรัทธาก็ได้รักษาศีลด้วยปฏิรูปประกาศศรัทธาก็ได้เป็นเอุปสงคศีลไปสิใช่ไหมหรือเจริญภาวนาด้วยปฏิรูปประกาศศรัทธาก็ได้ก็เป็นเป็นภาวนาเทียมไปก็เป็นเรื่อยๆว่าไอ่อนน้อมด้วยศรัทธาเทียมก็ได้ให้ด้วยศรัทธาหรือให้ส่วนบุญด้วยศรัทธาที่เทียมก็ได้ แบ่งปันส่วนบุญด้วยศรัทธาที่เทียมก็ได้ฟังทำด้วยศรัทธาที่เทียมก็ได้แสดงทำด้วยศรัทธาที่เทียมก็ได้นี่ไงแล้วก็เป็นวิชาทิฏฐิไม่ใช่สมาธิิตลักษณะนี้เขาเรียกปฏิรูประการศรัทธาคือศรัทธาเทียมฉะนั้นศรัทธาเทียมเป็นนรรมะที่ควรวิจัยและคนละไม่ควรเจริญและไม่ที่บอกว่าศรัทธามากก็คือไอ้ตัวนี้แหละไม่ดีอะไอป้ปฏิรูประการศรัทธานี่แหละไอ้ศรัทธาเทียมนี่แหละ ท่านน้อยๆอยอ่ะมันศรัทธาเทียมมันศรัทธาจริงยังพอจะข่มได้ใช่ไหมมันมากขึ้นมาเนี่ศรัทธาจริงเสียหรือนีเรียกเกิดยังไงไม่รู้จะต่อสู้ก็ายัางไงนี่ก็พึงสังเกตเนาะท <c oughs> ่านถึงอุปมาในลักษณะฐานะเหมือนกับทรัพย์เหมือนกับพืชดังที่ได้กล่าวในคัมภีร์ขุทกัการนิการนียนะเออในมิรินถ้ปัญหาในฉบับชาฏาสังขยนาเนี่ยนะท่านได้แยกเขาไว้บอกว่าศรัทธาเป็นสองประการนะซ้ำภาษาธนศรัทธากับซ้ำเออซ้ำปากขันธนะศรัทธา ในทั้งสองประการนั้นท่านบอกบอกว่าพระราชาก็ถามพระะพรยาเพระารระระะมรินถามพระนาคเสศนบอกว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญศรัทธามีลักษณะเป็นอย่างไรเล่าพระคุณเจ้าถามเงี้ยนะพระนาคเสศนก็กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชศรัทธามีอันธ ร, รสำประโยุน์ธรรมที่เกิดร่วมกับตนให้ผ่องใสอย่างหนึ่งและก็มีการแล่นไปสู่คุณเบื้องสูงอีกอย่างหนึ่งเห็นไหมศรัทธามีสองประการ ตอนี้เวลาเราจะศึกษาสัมภาระวิบากศึกษาพระธรรมของพระพุทธเจ้าศึกษาประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้านั้นน่ะต้องตั้งศรัทธาแท้หรือศรัทธาเทียมก็ต้องตั้งศรัทธาแท้ในการที่จะศึกษาเวลาเจริญพุทธคุณก็ต้องเมีให้สังเกตนะว่าเจริญพุทธคุณเนี่ยก็จะมีศรัทธามีเจตนามีปัญญาใช่ไหมไอตัวที่เขาไปเจริญจริงๆเน่ยเวลาเราจะมาพิจารณาถึงองค์ธรรมของของกุศลจีโบาทในขณะที่เราฟังพุทธคุณทั้งหลายาต้องดูว่า กุศลจิรบาทเกิดขึ้นไหมกุศลจิรบาทจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ต้องดูว่าศรัทธาเกิดไหม เ, เจตนาที่เป็นกุศลเกิดไหมแล้วปัญญาเกิดขึ้นไหมเป็นต้นเขาเรียกว่ามีเจตนาเป็นประธานมีศรัทธาเป็นประธานมีปัญญาเป็นประธานในกุศลจิรบาทนั้นนะที่เกิดขึ้นจากการน้อมนําฟังพระธรรมคําสอนของพระบรมศาสดาฟังเส้นทางการสร้างบารมีธรรมของพระุทธเจ้าหรือจะศึกษาคมภีรสัมภาริบักที่เรากําลังจะศึกษากันเนี่ยนะ มันก็ต้องศึกษาด้วยศรัทธาด้วยเจตนาด้วยปัญญาที่เป็นประธานที่พอเรารู้ว่าโอ้แท้ที่จริงเป็นกลุ่มของกุศลจิตวิบาติที่กําลังศึกษาคําว่าศึกษาในที่นั้นเขาเรียกว่าปฏิบตัติปฏิบตัติในขณะที่สัตว์ทินรียเกิดขึ้นเจตนาเกิดขึ้นหรือปัญญรีย์ต่างๆเกิดขึ้นหรือกลุ่มกุศลจิตวิบัติที่เกิดขึ้นจากการฟังพระธรรมคือฟังเส้นทางการสร้างบารมีของพระบรมศ า, ศาสดาอยู่เนี่ยในขณะนั้นเขาเรียกว่ากลุ่ม กลุ่มศิกขาเขาเดินอยู่การปฏิบัติกําลังดําเนินอยู่ทีนี้การปฏิบัติกําลังดําเนินอยู่เราต้องรู้คือกลุ่มของกุศลจิตวบาทก็คือกลุ่มของเวทนาขันสัญญาขันสังขารขั น, ขนและวิญญาณขันที่อาศัยรูปประธรรมเหล่านี้กําลังเป็นไปอยู่จากการฟังประธรรมนี่แปลว่าท่านผู้นั้นเริ่มฟังและเริ่มจับประเด็นได้ว่าเราฟังธรรมอย่างนี้นี่เองอ๋อคำว่าเราเนี่ยนยีเป็นสัตว์เป็นคําสมมุติขึ้นมา แต่กลุ่มกุศลธรรมทั้งหลายมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นต้องเป็นกุศลจิตวุบาทและมีศรัทธามีเจตนามีปัญญาเป็นประธานอยู่นั้นตรงนั้นคือกลุ่มนามธรรมและกลุ่มนามธรรมเหล่านั้นอาศัยหัตถเยวัตถุเป็นไปหัตถเยวัตถุอาศัยหมาพูดหมาพูดอาศัยหมาพูดที่เกิดจากกรรมจิตวุริยอาหารแล้วก็รวมเป็นรัชกายเป็นไปเป็นต้นสรุปก็คือกลุ่มขันห้านี่แหละกําลังมันประชุมกันณที่แห่งนี้เพื่อจกมาเดิน จเจริญพุทธคุณแล้วบอกอ๋อเรา จ, าจะเจริญพุทธานุสติโดยการมีเสียงพระธรรมนั่นเป็นอารามนาปัจจัยเขย่ายังโอแท้ที่จริงการศึกษาสัมภารวิบากก็คือการจเจริญพุทธานุสติการจเจริญพุทธานุสติโดยการผ่านจากการฟังเราเห็นไหมว่าไปอยู่ในข้อแรกในวิมุตตายตนะเลยพุทธเจ้า หรือสาวกของพระเจ้าเป็นผู้แสดงธรรมในขณะที่แสดงเกี่ยวกับพุทธคุณนั้นเธอเป็นผู้รู้แจ้งอัฏฐารู้แจ้งธรรมะเมื่อรู้แจ้งอัฏฐารู้แจ้งธรรมะปราโมดปีติปัปสสธิความสุขเกิดขึ้นอันนี้แปลว่าโอ้นี่คือการเจริญพุทธานุสตินี่เราได้ปฏิบัติธรรมแล้วอันนี้ก็เป็นช่องทางเห็นการบรรลุแล้วเราได้ทดําดีตามพระธรรมคําสอนของพระบรมศาสดาได้วางหลักไว้แล้ว ถ้าท่านผู้นั้นรู้ตนเองจะมาปฏิบัติอย่างนี้ท่านผู้นั้นจะมนาสิกาอย่างไงเขาจะไม่คิดว่าโอ้เขามาฟังธรรมเขามาฟังธรรมฟังเพื่อความรู้โอ้คนนั้นโูดดีคนนี้พูดไม่ดีแล้วเขาจะรู้ว่าโอ้นี่เป็นไปตามพระธรรมไหมอันนี้เป็นไปธรรมว่าธรรมถูกต้องตามอัฏฐาและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ไหมมีความงามในเบื้องต้นตามกางที่สุดเป็นต้นไหมเราบอกโอ้ยสอดคล้องกับพระธรรมคําสอนของพระบรมศ า, ศาสดาเขาฟังเอาอัฏฐาตรงนี้จริง แล้วฟังเขาได้เจริญพุทธานุสติแล้วนี่ไงคือการที่ว่าบุค ก, กลุ่มบุคคลเหล่านั้นแล้วเข้าใจแล้วเมื่อเกิดมีความเข้าใจในลักษณะอย่างนี้แปลว่าตอนนั้นสัตพินรีเดินใช่ไหมลองคิดดูที่ว่าเมื่อศรัทธาเกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้เป็นไปศรัทธาเป็นประธานเจตนาหรือปัญญาเป็นประธานกลุ่มกุศลจิตรว่าเป็นต้นเป็นประธานถ้าถามว่าเมื่อเขาพิจารณาได้ในลักษณะนี้เขาเข้าใจด้วยความเป็นสัตว์บุคคลด้วย แล้วก็เข้าใจด้วยความเป็นสภาวะธรรมโดยความเป็นปรมัตถธรรมเป็นต้นด้วยถ้าเขาเข้าใจอย่างนี้ถ้าเขาจะมาแยกโดยความเป็นขันธ์ธาตุอยายตนะไม่ใช่เป็นเรื่องหนักใจของเขาเลยเขาจะรู้ทันทีเลยใช่ไหมว่าในขณะที่เขากําลังดําเนินฟังไปอยู่นั้นน่ะแท้จริงความจําได้นั้นเป็นสัญญาขันธ์เลยการที่มีความสุขสมนัตเกิดขึ้นมานั้นเป็นสมนเป็นเวทนาขันธ์นี่เขาจะเข้าใจการที่เกิดศรัทธาการที่เกิดปัญญาเกินที่เกิดสติในการลึกนกลุ่มสังขาระขันธ์เนี่ย แล้วก็มีกลุ่มวิญญาณขันนี่เข้าไปรู้อารมณ์ต่างๆมีรูปอารมณ์เป็นต้นเหล่าเนี้ยนะเออแ ท, ท้จริงก็คือกลุ่มของขันหตั้งอยู่กัขันสี่ที่เป็นไปกับรูปขันเป็นไปอยู่แ ท, ท้จริงนี่ไงสัตว์บุคคลเป็นผู้ฟังธรรมไม่มีมันจะเริ่มเข้าใจแล้วสัตว์บุคคลเป็นผู้ฟังธรรมไม่ดือ้อธรรมะล้วนๆที่เป็นไปกับกุศลจิตุบากกำลังดําเนินไปอยู่อู้เข้าใจฉันใช่ไหมเข้าใจชัดแล้ว เห็นด้วยความเป็นสัตว์ก็ไม่หลุมหลงด้วยความเป็นสัตว์เห็นด้วยความเป็นปรมาจารยก็ไม่หลุมหลงด้วยความเป็นปรมาตานี่เขาเรียกเข้าใจไหมนี่ด้วยความเป็นขันได้ไปแยกได้กลุ่มเป็นอายตนะก็ได้เป็นธาตุก็ได้เป็นอินทรีย์ก็ได้เป็นปฏิจจาก็ได้ทีแยกไปทีก็รายละเอียดก็เดียวเขาไปไล่กันมูอันนี้ต้องการจะเชื่อเห็นว่านี่เขาฟังทำกันอย่างนี้ที่เขาบรรลุกระทลุทะลวงกันเนี่ยเขาไม่อยากอยู่กันแค่ฟังหรอก เขาฟังกันแล้วเขาบรรลุจริงๆเขาขัดเกลารจริงๆแล้วก็แทงตลอดเขารู้แจ้งกันจริงๆเพราะเขาเกิดความลึกซึ้งในพระธรรมแล้วเขาเข้าใจเขามีศรัทธาจิตเขาผ่องใสในการฟังแล้วเขาวิจัยได้ตรงนี้ท่านถึงบอกว่าศรัทธามีลักษณะอย่างไรเป็นต้นใช่ไหมศรัทธานั้นทำสามยุธทธรรมที่เกิดร่วมกับตัวนี้ผ่องใสแล้วมีการแล่นไปสู่เบื้องหน้าอย่างไรขอถวายพระพรก็ท่านบอกว่าพระราชาตัดถามต่อไปว่าก็สำ สัมปาสาธนะศรัตธานั้นมีลักษณะประการใดแล้วพระคุณจ้าพาระรนาคเสณกฐูมบอกว่าแต่มหาราศรัทธาเรานั้นเมื่อเกิดขึ้นก็ข่มนิวรและทำให้สงบลงได้เห็นไหมเวลาศรัทธาเกิดขึ้นมาข่มกา ม, มาชันนะข่มพยาบาทข่มทีนมิท้าข่มอุทจักข่มกุกุจักข่มวิจิกิชาได้ก็ต้องมาดูที่เราฟังทำแล้วยังมีกามะันท ไ, ไหม ยินดีพอใจเพลิดเพลินในวัตถุกรมมึงข่มลงได้ไหมตรงเนี้ยมีความหงุดหงิดฟุ้งซ่านไหมถ้ามีแสดงมันยังข่มไม่ได้แสดงศรัทธาไม่เกิดรู้ทันทีแล้ตอนนี้ศรัทธาสถตนทีไม่เดินใช่ไหมยังมีอุทจากักกุกุจกักมีความฟุ้งซ่านไหมมีความลังเล ส, สงสัยไหมถ้าสิ่งต่างๆยังเกิดขึ้นในกระแสใจท่านทั้งหลายอยู่แปลว่าศรัทธาไม่เป็นบาทางรู้ว่าตอนนี้เป็นอกุศลอถ้ามันเกิดขึ้นอย่า ง, งานาั้นจะละยังไง ก็บอกโอ้ยเราศรัทธาพุทธเจ้าศรัทธาเรายังไม่มีกําลังเมื่อศรัทธายังไม่มีกําลังประมาทได้ไหมในสังสารวัตรมาเพราะเป็นอย่างนี้นี่แล้วเราจึงไม่พ้นจากวัฏทุกข์ศรัทธาของเรากําลังอ่อนเหลือเกินเพราะเราไม่ได้อาหารศรัทธาเนาะเราคิดพุทธคุณน้อยไปคิดธรรมคุณสังฆคุณน้อยไปฟังพระธรรมน้อยไปตรึกในพระธรรมน้อยไปเออบางทีเรามีความรู้ตั้งเยอะแยะแต่เราก็ปล่อยให้ กามาคุณพยาบาททีนะมีท้าอุทายาคูกูเจาวิจิกิจ้าเล่นงานละ ง, งมเลยไงนะมาพิจารณาตรงนี้เราเห็นข่มนิวรธรรมเพราะศรัทธาไม่เดินศรัทธาไม่เกิดถ้าสามารถข่มนิวรธรรมเหล่านั้นให้สงบได้จิตที่ปราศจากนิวรย่อมสะอาดฟ่องใสมีความไม่ขุนมัวชั้นใดฉะนั้น ส, สัมปัสสะธนศรัทธาก็มีลักษณะฉันนั้นเหมือนกันเห็นไหมท่านตอบพระพระ พ, พ, พ, ย, พยาหมิริน พระราชาตรัสถามว่าไหนพระผู้เมียพระเออไหนพระคุณเจ้าลองทำข้อเปรียบเทียบให้ดูสิท่านว่าอุปมาเหมือนกษัตริเจ้าจากักรพรรดิีลาชไปในทางไกลเนอะด้วยเจตุรงเกษนาสเสด็จข้ามแม่น้ําน้อยใหญ่ข้ามแม่น้ําน้อยไปด้วยพลช้างพลมา้าพนรถพนเดินเท้าเนี่ยนะแล้วก็น้ําก็กลายเป็นน้ําขุ่นเพราะน้นํานั้นมีน้อยไปไปมามาพระราชาปรารถนาจะดื่มน้ํา ก็ตรัสให้มนุษย์บอกว่าพวกท่านจงไปตักน้ํามาเรา้วจกดื่มเนะพระราชาก็เอน้ําหมอกก็บอกน้ําขุนพระราชาก็มอบแก้วมันีไปบอน้ํานี่ไปแกงในน้ำแล้วก็เอาแก้วมันีนี่ยไปจุ่มในน้ําแล้วก็แกว่งเนาะในท่สุจริงน้ําที่ขุนก็สามารถขจัดฝุ่นละอองทั้งหลายที่มันฟุ้งขึ้นมาโครนตมทั้งหลายที่มันฟุ้งขึ้นมาเนี่ยให้สงบระงับลงไปเหลือแต่น้ําที่ใสแก้วสะอาดสามารถดื่มอาบกินกันได้อย่างสดชื่นและเย็นตาเย็นใจฉันใด ลักษณะของศรัทธาก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนี่ท่านก็ก็ถวายพระพรไปอย่างเงี้ยคือพระพูดอย่างเงี้ยบอกว่าข้าแต่มหาร้านน้ําเป็นชั้นใดขอจงเปรียบเทียบเถิดว่าจิตจิตชั้นนั้นน่ะพวกมนุษย์เป็นชั้นนั้นบอกว่าบอกว่าพระโยคาวจรก็ชั้นนั้นสาลายเปลือกตมและจอกแหนชั้นใดขอจงทราบเถิดว่ากิเลสก็เป็นอย่างนั้นสรุปแล้วคืออะไร น้ำเหมือนจิตเนอะน้ำเมันจิตแล้วมนุษย์ละ่ะพระโยคาวาจรนะ์น่ะมนุษย์ทั้งหลายก็เหมือนพระโยคาวาจรหรือผู้ปฏิบัติผู้ขัดเกลวนั่นแหละส่วนพวกเปลือกตมทั้งหลายหรือจอกแหนเป็นต้นนั้นก็เหมือนกับกิเลตมีราคาตัวสารุต ก, กุ่มนิวรณธรรมเช่นนั้นแก้วมั น, นีที่บรรดาลน้นําที่ขุ่นนั้นให้ใสก็เหมือนกับอะไรเหมือนกับศรัทธาคือความเชื่อชั้นนั้นเหมือนกัน พอวางแก้วมนันีนั้นลงไปในน้ําน้ํานั้นก็ใสสลายและจอกแหนก็หายไปเปือกตมก็นอนตะก้นเนี่ยนอนก้นเนี่ยนะน้าก็เพิงเป็นน้ําที่ใสสะอาดไม่ขุนเมือ่อข้อข้อนี้อุปมาชั้นใดค่าแต่มหาราชสัทธาความเชื่อเกิดขึ้นก็สามารถขม่ขมกามฉันทาพยาบาทีนมิทาอุทจักกุกุจักวิจิกิจฉาทิพก็สามารถจะข่มนิวรธรรมเหล่านั้นแล้วย่อมเป็นจิตที่สะอาดเป็นจิตที่ผ่องใสเป็นจิตที่ไม่ขุนมัวชั้นนั้นเหมือนกันแล้ว ข่าแต่มหาราชศธานั้นศรัทธาที่มีสำสำปรสาธนารักษณะก็มีความลักษณะความโปร่งใสาตามที่ได้ถวายพระพรมานี่แหละพระราชาก็นุโมทนาบอโอ้โหศรัทธามีลักษณะเช่นนี้เองบอกว่าเออข้าพเจ้าได้ทราบแล้วว่าถ้ายามใดาการมฉันทาพยาบาทีนะมิท่าอุทจากกุกุจกักวิจิกิจฉาเกิดขึ้นในใจของข้าพเจ้าในขณะนั้นข้าพเจ้าจะไปบอกว่ามีศรัทธาไม่ได้เลย เพราะตอนนั้นจิตของข้าพเจ้าขุนโมหลือเกินไหมท่านก็ทราบทันทีเลยเราท่านทั้งหลายก็มาเปรียบเทียบดูว่าตอนเนี้ยจิตนั้นมีกรารมาฉันทาพยาบาทีนะไม่ท้าอุทธาจักกุกุจาวิจิกิชาไหมถ้ามีคุณธรรมเหล่านี้แทรกอยู่ในใจตอนนั้นก็แปลว่าศรัท ธ, ธาไม่ทํากิจแล้วศรัท ธ, ธาไม่ทํากิจทํำยังไงก็เพิ่มสัจทินรีโดยการระลึกถึงพุทธานุสติเป็นต้นถ้าไม่เกิดก็อ่านสัมภาระวิบากเยอะเยอใช่ไหม อ่านไม่เข้าใจก็ฟังฟังไม่เข้าใจก็ไปอ่านใหม่ทำไปเรื่อยๆเด้วศราก็เดินเข้าใจยังจากนั้นพระราชาก็ตรัสถามถึงสำสำปักขันธะศรัทธาบอกข้าแต่พระคุณเจ้าสัำปักขันธะศรัทธาเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะหมดเวลานี่ไหมไอ้ทันต้องไปถึงเดี๋ยวพระนาเกษนก็ทูลบอกข้าแต่มหาราชอุปมาเหมือนพระโยคาวจรนั้นเห็นจิตของพิกษุูรเราอื่นนะเช่น เห็นว่าท่านเหล่านั้นเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกท า, าคามีเป็นพผ้านาคามีเป็นผ้าละหันถ้าเห็นแล้วก็รีบเร่งกระทาความเพียรเพื่อให้ถึงเพื่อให้ถึงทำที่ยังไม่ถึงบรรลุทำที่ยังไม่บรรลุแล้วก็ทําให้แจ้งทำที่ยังไม่ทําให้แจ้งถามว่าตอนเนี้ถามเราที่ว่าเราได้ถึงโสดาปฏิมาศหรื อ, อยังได้บรรลุโสดาปฏิผลหรื อ, อยัง ทำให้แจ้งของโสดาพันิพาณของท่านหรือยังเนี่ยเขาเรียกว่ายังไมไ่ถึงทำที่ยังไม่ได้ทําให้ถึงยังไม่ได้บรรลุทำที่ยังไม่ได้บรรลุยังไม่ได้ทําให้แจ้งในทำที่ยังไม่ได้ทําให้แจ้งพอท่านคิดแบบนี้เบ็เสร็จท่านก็ส่งศรัทธาไปเลยในโลกุตละธรรมเลยบอกว่าท่านจะมีศรัทธาในพระธรรมะคุณนี้และศรัทธาในพระธรรมะคุณท่านบอกพระธรรมะคุณนี้เป็นออกจากพุทธพจน์ออกจากพระโอษฐ์ของพุทธเจ้า เราก็จะเป็นหนึ่งในการที่เป็นบุตรของพระพุทธเจ้าที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าจะให้พระธรรมเนรมิตรให้ได้เราจะเป็นสังขายได้เปตนตอรเราเนี่ยนะก็น้อมแล่นเข้าไปเลยลักษณะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าศรัทธาที่เป็นเกี่ยวในเรื่องของสัมปักขันธนาศรัทธาคือศรัทธาที่มีการแล่นไปเป็นลักษณะอันนี้ก็ตงควรเกวเวลาเนาะ